โดยเริ่มจากการชุดตนเองขึ้นจากหลุมดำให้ได้เป็นอันดับแรกเเหตุใครที่ไนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องผนอยู่ใรเหตุผลให้ไปโทษ ฟ, ฟ้าโทษด า, าลหาในกวาจริงที่เป็น จะไจรจะดีมัอยู่ที่ตัวเธอนั่นองอาให้ลองดูเรื่องการการกอดทันของเธอไดคิดในใจอาจอยสลไร้ไร้อาลึกลับงการสัมพันธ์ของกันคท่ไร